Thank mm -hmm. you. เราสวดมนต์นะก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ศึกษาธรรมไปในตัวด้วยเราไม่ได้สวดเพียงแค่เอาความคลัง่งความศักดิ์สิทธิ์หรือเพื่อความสงบในใจิตใจยิ่งถ้าเรารู้ความหมายนะของบทสวด น, นี้ก็เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้ธรรมะไปในตัวด้วยคนเราเคยเรียนรู้ธรรมะได้หลายอย่างนะ เรียนรู้ธรรมาจากการฟังนี่ก็ใช่ที่สำคัญก็คือเรียนรู้ธรรมาจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแตล่ตละขณะแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาทำได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะ หลาคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกขนะ์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะาอากาศมันหนาวผู้อีกอย่างนี่นคือว่าทุกข์เพราะว่ากายมันหนาวแต่จริงๆถ้าดูให้ดีเนี่ยนะขณะที่ขณะนี้เนี่ยเราไม่ใช่แค่ทุกข์กายนะส่วนใหญ่จะมีความทุกข์ใจ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 แล้วหลายคนก็พบว่ามันเป็นอย่างจริงๆนะพอวัดลุ่งขึ้นพอมาเดินใหม่วางใจเป็นให้มีสติดูใจเท้าเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของเท้าแ ต, แต่ให้มาดูใจมีคนหนึ่งก็บอกโอ้คนแก่ใช่ไหมเจ็ดสิบเขาบอกว่าอพอตอนที่เดินที่ใจมันโล่งเลยมันโล่งมันโล่งที่ใจ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 มันจะไปปักอยู่ตรงที่ปวดนี่นแหละปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนใจมันก็จะไปจดจ่อตรงนั้นแหละอันนี้ก็แปลกนะไม่ชอบแต่ว่ากลับจดจอ่อไม่ชอบอะไรก็จดจ่อตรงนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเราเนี่ยไม่ชอบความหนาวแตตรงไหนที่หนาวนี่ใจก็จะไปจดจอ่อร่างกายเราเนี่ยมีเสื้อผ้าห่มคลุมเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิเปอร์เซ็นรือจึ๊เป็นเก้าสิบเปอร์ซ็นต์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 หินเนี่ยนะหรือว่ามือเนี่ยโดนน้าทิ้มหรือถูกไฟน้ำร้อนลวกนะมันก็เป็นแค่จุดเล็กๆนะในร่างกายที่เป็นทุกข์อีกเก้าสเก้าปอร์็นี่ยไม่ได้ทุกข์เลยสบายเป็นปกติแต่ถามว่าใจมันอยู่ไหนใจมันก็มีอยู่ตรงจุดที่เป็นทุกข์นั่นแหละจุดจองนั่นแหละ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 มันก็เลยไปจดจอยตรงที่หนาวไปจดจอยตรงที่มันปวดทั้งเั้งที่ตรงอื่นอีกต้องเยอะแยะนะที่มันไม่หนาวที่มันไม่ปวดเนะี่ยจริงจรงแล้วเป็นเพราะเราไม่มีสตินะเป็นเพราะความหลงนี่แหละนะที่ทำให้เราซ้าเติมตัวเองทำให้ใจเนี่ยมันหาเรื่องมาใส่ตัวไม่ต้องทำอะไรมากเนะยังไม่ต้องอยังไม่ต้องทำอะไรกับความร้อนความหนาว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 แค่รู้เฉยๆนะไม่ต้องไปทำอะไรกับความร้อนความหนาวความปวดนะที่เกิดกับกายนะแค่รู้เฉยๆเห็นความปวดไม่เป็นผู้ปวดนะอย่างที่หลวงพ่อเขียนว่าเห็น่าเข้าไปเป็นอาการหน า, น, านาวน้อยมึงมันเป็นโอกาสนะที่เราจะได้ฝึกดูใจนะว่าเราเห็นหรือเข้าไปเป็นละถ้าไม่เห็นเมื่ อ, อไรมันเข้าไปเป็นเมื่อ น, นั้น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 นะมันจะเห็นตัวเองชัดจะได้ความรู้เกี่ยวกับตัวเองชัดมากเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะแกเป็นโรคที่หาได้ยากเนะี่ยกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ปลายประสาทกล้ามเนื้อเนี่ยเนะี่ยมันไม่ทำงานนอกจากเดินไม่ได้ขยี้ข ย, ยับแขนก็ลำบากแล้วบางคนถ้เป็นหนักๆ น, นี่ การกลืนก็จะมีปัญหาการหายใจก็จะเริ่มติดขัดอย่างพี่งนนี้เนี่ยการหายใจเนี่ยหายจะได้แค่สิบเอร์เซ็นนอนแบบเรียกว่าช่วยตัวเองไม่ได้ต้องมีคนป้อนข้าวให้มอกว่าอยู่ได้ไม่เกินอายุยี่สิบนะตอนนี้ก็จะสามสิบแล้วที่ก็อยู่ได้ยืนเพราะแกทำใจถูกวางใจเป็นนะ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 ถ้ารู้ตรงนี้แหละมันจะเห็นทางออกนะก็การมีสตินะแค่รู้เฉยเฉยรู้ซื่อๆนะไม่ค่อยไปเป็ น, ปนแค่เห็นก็พอแล้วอ้าวชานี้พูดกขอท่านี้อ้าวกราบพระ